การทำกันนั่งมีคำพูดคำบอกคำสอนชอบบอกชอบสอนสิ่งที่บอกชืส่สอนที่รู้จริงๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่จังอื่นไม่ค่อยรู้ รู้จริงๆรวมถูกต้องจริงๆสิ่งที่มันเกิดกับจกับใกับกายนี่อะไรที่มันเกิดไม่จริงจะรู้จริงๆ จ, จะเปลี่ยนให้มันจริงให้มันรู้ให้มันเห็นแจ้งเ ก, กกียณสอนมีผู้ให้บอกมีผู้ให้ พูดมีผู้ฟังแล้วก็ถือว่าถูกต้องแล้วถ้าไม่มีใครฟังไม่พูดจะพูดให้ใครฟังก็จะห า, าาายยาหาบอกคนหลายบาทหลายย่ามไปหาบอกคน ตอนนี้ไม่ได้ไปที่ไหนมีผู้มาที่นี่มีผู้มีจัทธามาบวดนุ่งขาวถือขาวนุ่งเหลืองโมเหลืองเป็นกระว่าดยอดจูมก็ตั้งใจมาเพื่อจะมาให้บอกให้สอนจงมีถือว่าเป็นราบเป็นสิ่งที่ดีข้อใจก็เรียบด่วนสักหน่อย เราก็รียบด่วนเรียบบอกเรียบสอนสิทธที่ิดที่ถูกเดี๋ยวมันจะตายไปพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอีกสำหรับเราเวลานี้ก็เราฝึกกรรมฐานเวลาเราฝึกกรรมฐานก็จะได้สอนตัวเองวิธีสอนตัวเองวิธีให้คนอื่นสอน เหมือนกันถ้าเราฝึกกรรมาฐานมีสติดูกายว่าเห็นกายอยู่เห็นกายในกา ย, ยเป็นประจำก็จะได้บอกตัวเองได้สอนตัวเองนี่เห็นแล้วรู้แล้วรู้นั่นะเริ่มต้นที่จะต้องเป็นผู้ที่มี สติปัญญาปลูกปัญญาขึ้นแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจใจเวลาเราปลูกกรรมฐานเรามีสติตั้งไว้ก่อนเพื่อจะได้ใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกายที่มันเคลื่อนไหวนี่เป็นเป็นรูปเป็นนามเมื่อ ม, ม, มันเป็นรูปเป็นนามก็รู้แล้วได้ ถ้ามีสติจะรู้ถ้ไม่มีสติก็จะไม่รู้ถ้ามีสติจะได้เห็นถ้าไม่มีสติเข้าไปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวายกับใจก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยรู้ได้เห็นโดยพบเห็นเห็นเรื่องเก่าบ่อยๆแค่เรื่องเก่าบ่อยๆ ผิดบ่อยเปลี่ยนให้ถูกบ่อยมันก็นเป็นอย่างนั้นโดยสอนตัวเองเต็มที่ยิ่งเวลาฝึกกรรมฐ า, ามเวลามีสติมันจะแสดงให้เห็นมากมายหลายอย่างาะเราออกมาดูโลกถ้าอยู่ในโลกก็จะไม่เห็นโลก ยังมาไม่สดงเหมือนออกมาโลกโลกมาดูสิเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสูงต้องหลายจะมาดูโลกนี้อวิกิจการหลุดล่าจะลดที่คนหลงคนเขาพากันบกอยู่แต่ผู้มีปัญญาสติหาคล้องอยู่ไหมคือมาดูมันผู้ไม่ผู้ยิถือยู่ในโลกเหมือนทุกข์กาเป็นทุกข์นั่นคนอยู่ในโลก เหนโกรธก็เหมืนโกรธ ค, คนอยู่ผู้อยู่ในโลกผู <c oughs> ้ที่มาโดูโลกมันทุกข์เห็นมันทุกข์ตอนออกมานอกโลกเห็นมันทุกข์เราก็เป็นอย่างนี้กรรมาฐานเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องฝึกเองเห็นเอาเองไม่มีใครช่วยกันได้จึงมีวิชากรรมาฐานให้ทําให้ประกอบ แล้ว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำแล้วจากนอน้นเราความรู้จักตัวนี่อาศัยประกอบกันมาให้มีถ้ามีแล้วก็ไม่ประกอบก็ได้มันมีแล้วเหมือนมีเงินก่อนจะมีเงินต้องหาในการกระทำงานงานถ้าไม่มีเงิน กรรมคือกระทําทํางไม่มีสติเป็นทรัพยายในถ้ามีแล้วก็อาจจะไม่หาก็ได้สติไม่เหมือนเงินเหมือนใช่ไม่หมดเงินถ้าทองซรไปย์ภานอกใช่ละมันก็หมดต้องหาใหม่ย้อนหาใหม่ย้อนรักษาด้วยจใช้จดใจเหมือนจึง ว่ามีให้ใช้แต่ใช้ไม่เป็นก็หมดส่วนสติส่วนอรียภาภายในถ้ามีแล้วช้เอายิ่งค่องชิ่งชำนานเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อะไรเกิดขึ้นมากรู้ออกหน้าออกตาชำนานในความลู้เรียกว่าปริญญา ยาตาปริญญากำหนดรูดเวียการลูกไวที่สุดกำหนดลูดเดียการแจกแกงไวที่สุดกำหนดรูดเดียการละไวที่สุดโอมืนหลงเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงตรงนี้ไวที่สุดถ้าหัดถ้าไม่หัดมันก็ไม่ไวทําไมทําไมทําไมกลายเป็นสุขเป็นทุกข์เออความหลง ยังต้องหัดเอาประกอบเอาเวลาเดินยองกลมก็เพื่อให้มันรู้เรื่งองนี้ไม่ใช่บบเดินยองกลมเอาความสวยความงามเดินเพื่อมันรู้ต้องต้นไปอยู่เรื่อยเพื่อตั้งให้เกิดความรู้ชัดเจนไม่ใช่เดินดุมดมดุมดมดมด ม, ดมเดินไวไวเดินไวไวอย่ี่ก็รีดแรงงาน อาจจะไม่ต้องรีดไปเนื่งก็ได้บางกะเราท่องหนังสือท่องมัมแมเป็นหลายชั่วโมงแต่ผู้ที่มีสติปัญญาก็มีท่องไปก็หัดจำไปหัดแจกแกะหัดรั่วไหลไปอาจจะไม่ท่องทั้งหมดเป็นเช่นเราเชื่อในใจท่องจะข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อรู้จากข้อหนึ่งก็จะรู้ไปอีกเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปหรืออันหนึ่งก็จะรู่อห น, นึง่งเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเป็นหมวดของศินศินเสมาที่ปัญญาก็เป็นหมู่ของศินเมื่อเห็นสินเสมาที่ปัญญาก็เป็นกุศลก็ละอกุศลประกอบกุศลได้อย่างนี้แล้วว่าปัญญาออกหน้าละ่ะ ถ้าศึกษาจริงๆนะไม่ใช่ว่าจ ะ, จะต้องมีการกระทําอย่างเดียวมีสติปัญญาออกหนะ้าเช่นอรียมรรคเนี่ยปัญญามาก่อนว่าใช่สินมาก่อนสินอยู่ตรงกลางสัมมาทิฏิสัมมาสังกัปปะเนี่ย ปัญญาก็าขึ้น2 2 ส, สองแรงสมาธิเรื่องปัญญาสมาธัพท์ปะกก็เรื่องปัญญาต่สมาจึงมีสมาวิจาระสมากรรมตาสมาชีวาจะเป็นเรื่องศีลสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิจึงเป็นเรื่องสมาธิ แล้ก็เป็นหมวดเป็นหมวดแต่ว่ามันเป็นไม่ไม่เป็นแถวมันเป็นวงกลมสําหรับกบามฐานนี่ก็เป็นวงกลมสนสนุนกันสติทำไม่เกิดปัญญาปัญญาทำไม่เกิดสติแ้วไม่มีสติมันก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐาน เนแผ่นดินทำให้มีสิ่งที่เกิดบนเผ่นดินนี่เราจึงมาประกอบขึ้นมาให้มีที่ตั้งไววสราธิ ต, ตั้งไหวในกายอาศัยกายเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวอาศัยจิตใจเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวทำไงจึงจะเห็นกายทั้งประกอบ ภเขานกยูงเขนยวดกภูเขานกยูงเขียวดออกแล้ว ก, การปลุกสติกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเหมือนเขาเห ย, ยวาวธาตุรูขึ้นมาความรูมันดับไฟมันตายไปมันในความหลงกบเกินไว้จึงปลุกให้มันรู้ขึ้นมา คนหัวใจล้มเหลวตรงปั๊มหัวใจขึ้นมาให้หัวใจมันเต้นหังทีก็เป็นอย่างนั้นก็ได้มีคนอื่นช่วยวันนี้เราบหัดช่วยตัวเองเขาทยดาลู่พลิกมือขึ้นไอ้ลู่นี่คือลู่ลู่สิบตัวที่เจอกับลู่ ลู่มีสวนประกอบให้ลู่เขื่อนมือเข้ายกผือออกคู่เฉีนเข้าคู่เฉีนออกกับลู่ของลู่ที่การเคลื่อนมือดังพระเจ้าสอนสำชัญญะบัพพะผมก็จะมีสติเป็นสิงที่ตั้งไว้ สนทวานบานเนนายด่านเห็นหมดเหมือนกับตาหายในจึงต้องพึงหัดเอาไวา้บางทีทำานิ่มๆนมนวล น, น, วนลูกก็ลู่แบบนิ่ม น, นิมนวลนวไม่หยาบคลายถ้าทำแบบหยาบคลายก็รูปแบบหยาบคลายโฉบเย กบเกินได้อะไรเกิดขึ้นว่าไม่เห็นแจ้งเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกไปซะอันนั้นเรียกว่ากบเกินกบเกินความถูกต้องไม่ความไม่ถูกต้องป อ, อีกแบบหนึ่งแล้เราเรามีสติเหมือนตาที่เราดูอะไรให้มันคมคมตาต้องคม จำนานในการพื้นที่เหมือ น, นเราอยู่วัดวาอารามตาคงเดินผ่านไปไหนก็รู้อะไรอะไรคืออะไรบางทีก็สิ่งแหวนรบรหัสมันบงบอกมันไม่ปกติมันแสดงถึงความผิดอะไรต่างๆเกิดขึ้น ื่อที่ก็หูได้ยินเดินผ่านไปชะ น, น้ำไหลท่อแตกใส่ใจก็จะรู้บางทีเเดินไปเห็นนั่งอยู่หวานก็ น, นั่งอยู่เต้นก็เห็นเหยื่ว่าชกกินไก่น้อยก็จะช่วยไก่ แต่บางทีเราเห็นคนอื่นไม่เห็นก็ เ, เหมือนไม่คมในสมัยหนึ่งเดินผ่านสลาไกทำปฏิบูกที่หัวใจบนกติแปดติหัวใจอยู่บนกระติแปดกติหัวใจหลังนี้อยู่บนกระติแปดพอทาปฏิบูกที่นั่นสลาน้ามยังไม่มีหินหน้ามยังไม่มี ก็ทำปฏิมมกเดินลงมาผ่านชะลาไกาเสียงไก่กระตากกระตากเพื่อนก็เดินผ่านไปรู ป, ลร ป, ลรปลแล้วรูปโลกเราก็เดินผ่านไปเสียงไก่กร ะ, ะตากกระตากกระตากอะไรแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูก่ดูแม่ไก่ดูไปดูมาเห็นกาไปกินไข่ในลังลกาลังกกไข่อยู่ ไปแย่งกินไข่ในหลังข้ากินไข่ข้าบกินไข่อยู่แล้วก็เลยถือกาสไล่กาเพื่อนเดินผ่านก่อนเราก็ยังมีทำไมไม่รู้มันไม่มีตาคมตาไปหูได้ยินแต่ว่าไม่มีสติดูสิ่งเวลร่อมอะไรเกิดขึ้นตัวเรานี่ก็เหมือนกัน บางทีวามลูกเยกอาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยให้โอกาสเวลาเราปฏิบัติตื่นบ้างความหลงก็ตื่นมากาความทุกข์ก็ตื่นแต่ยังถ้าไม่คมไม่นี่มนวลความหลง ก, ก็ไม่ตื่นได้ไม่ตื่นอะไรธรรมดาธรรมดาด้านไปก็มีความทุกข์ก็ด้านไปก็มี มันเคยชินตัวความหลงเคยชินตัวความทุกข์เคยชินตัวความป้วนแต่งเหมือนหลวงปู่เทียนพูดว่าเดินยองกองอยู่เหมือนคนมาผักข้างหลังบเบรมา อ, อะไรเดินลู่อยู่ดีๆเหมือนคนมาผักหลังมืบไปเนี่ย เดินตั้งต้นมาเองเดินดูที่มันพู้มันพรมันคิดโอ้มันคิดเนี่ยก็หยาบมากความคิดที่ไม่ตั้งใจมีสติเนียนวนละเอียดจริงๆก็เห็นกระทั่งความคิดมันก็แปลกมันมืดไปขนาดปรากฏการเกิดขึ้นกับกอนเดิ น, ต, นตื่นความคิดอา้าวคูจะตั้งใจดูมันจยิงเนะื้อมันเป็นยังไงความคิดเนี่ย เลยตั้งใจดูความคิดมีสติพยายามเหมือนกับ น, นั่งอยู่กับจับสตตาวุธมิมงาซะก็ยิงเฉยเลยนี่ อ, อ๊บทันทีก็เห็นแจ้งทันทีรูปรูปรูปนามทันทีไหนคราวไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงตอนนั้นวิธีปฏิบัติให้มันป่านี้ให้มั น, น, มนอ่อนโยนให้มันนิ่มนวลสักหน่อย อย่าทำแบบหยอบหยาบลุกลี้ลุกลนหัวดำเค้มหน้าดำคข้เครียดเดี๋ยวไปเข็ดหลับไปพูดถึงกรรมฐานก็กลัวแล้วจะนั่งไม่ไหวจะเดินไม่ได้อาจจะมาต้องรีดแรงงานจะเกินไปก็ได้ไเวลาน้อยก็รู้ได้ถ้ามีความปานีดด้ดี ไอ้ดจอดตื่นบ้างลู่บ้างชัดเจนหมือนก็นเลยเห็นอะไรก็เดินทางไปสะดุดต่อเห็นตอกลับมาดูมันอยู่ตรงนี้เหรอเอามีดตัดออกเดินไปเห็นแจ้วกลัขบขึ้นมาดูเห็นแจ้วไปเจ็บออกตัวโลนี่ก็ ชอบความละเอียดชอบความแบาเนี้ช่วงความเกลี้ยงเก่าโดยเฉพาความรู้จักตัวเน่ยอะไรเกิดขึ้นมากับรู้จักตัวมันเกลี้ยงไปแล้วเกิดขึ้นกัรู้จักตัวทุกข์เกิดขึ้นกับรู้จักตัวความชิดเกิดขึ้นกับรู้จักตัวมัเกลี้ยงสักชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งอย่าด่าแทนรู้จักตัวอาจจะสนุก เวลารับประกอบความเพียรอราจะสนุกไม่ได้เดือดร้อนเห็นของเทศของจริงในคราวเดียวกันได้แก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติธรรมมันเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นว่าถ้าได้สมบัติจริงๆขุนการเป็นการผลมรรค็นผลมีผลขึ้นมาทันที ไม่เหมือนกับเราทํางานปลูกข้าวปลูกพริกปลูกพืชปผักการปลูกสติปัญญาเนี่ยมันทันทีมันได้ทันทีไม่ต้องรอเป็นปัจจิตตังยกลงขึ้นก็รู้ความรู้เห็นความหลงก็เห็นได้ความรู้โดยความรู้จากความหลงหลงเมื่อ หลงมาก็เกิดขึ้นทีกาะที่จนี้มาได้เกิดขึ้นที่ใดมภีภายในภายนอกถนนตลาดนัดของความหลงตลาดนัดของความรู้มาหลงอยู่ที่นี่ที่รูปที่ดามนี้วันจึงเป็นของง่ายวันที่บวดได้ให้ผลได้ ไม่รอวันไม่รอเวลาไม่เอาการเวลามาต่อรองไม่เอารูปันนามมาต่อรองอ้างมาแก่อ้างมาหนุ่มไ ม, ไม่ได้ม่ได้เพราะมันเป็นของที่มีอยู่ทุกคนคนเดียวกันแท้ๆก็หนุ่มก็หลง ได้คนแฉก็หลงได้คนลูกก็หลงได้คนไม่ลูกก็หลงได้ก็มีปฏิบัติเหมือนกันจึงเหมือนกันทั้งเหมือนกันันเดียวกันที่เดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเดินทางเช่นเดียวกัน ไปก็ตามต้องเดินทางเช่นเดียวกันไปถึงที่เดียวกันเราไปถึงที่เดียวกันไม่ใช่ไปถึงคนละที่เดินทางคนเดียวไว้ในทางเช่นเดียวไปถึงทีี่เดยวกันยนี้เลาว่าเหมนว่าจะไม่ยาก มีสติก็เหมือนกันเห็นความหลงก็เห็นความหลงเหมือนกันได้เปลี่ยนหลงเป็นลู้ก็เหมือนกันเรียกว่าปฏิบัติธรรมโอ้มันคืออันนี้ปฏิบัติคือเปลี่ยนล้ยเป็นดีคือทําอย่างนี้มันก็ขยันสร้างสติมีเอาไว้มันก็สนุกใช้ใช้สติมนันเหมือนใช้เงิน สิ่งที่มันเกิดเครื่องกลางกระจายจไม่ชัดติรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยก็มีกรรมบ้างมีการกระทําบ้างเป็นสิ่งที่ลิขิตชีวิตให้ไปสู่ใหไปถึงธรรมเหมือนกับการเดินทาง รูอยู่รู้อยู่ก็เหมือนการเดินทางเมื่อเดินทางมันก็ต้องผ่านตรงใดตรงหนึ่งเหมือนเราเดินทางการเดินทางก็ต้องเมื่อยล้าเป็นธรรมดาแต่ความเมื่อยล้าไม่เป็นอุปสรรคแต่ผู้เดินทางจะเดินจะเดินนันก็เป็นเรื่องเล็กน้อย แตาการเดินเป็นความสําคัญเกิรูปรูปความรูปจักตัวอาจจะได้จากการประกอบการประกอบวิการาใช้กายนี่พียงที่ตั้งความรูปจักตัวมันจะเกิดขึ้นลอยไม่ได้มันมีรูปมีนามได้รูปใกล้นามนี้เป็นประโยชน์ถ้ามาใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นโทษ ต่อรูป ต, อนนต่อน้ำลูกน้ำก็เบียดเบียนกันก็ได้รูปนอนอยู่นอน ม, มันคิดไปไหน่อยอยู่นอนไม่หลับน่าสงสารมากรูปนี้มีแต่ชิงเบียดเบียนถ้าไม่ฝึงหัดก็เป็นศัตรูกันจป็นศตูต่อรูปต่อ น, นางไม่พอก็เป็นศัตรูต่อคนอื่นจิงอื่นวัตถุอื่นอีก ทุกภูเทีย น, นต่อลูกไปหมดจึงพาการฝึกหัดฝึกหัดทุกคนแล้วก็เรื่องการปกครองกันมันก็มายุ่งมายากมันจะไม่ทะเลาะวิวาดกันมันจะไม่ทำให้กันเป็นทุกข์เดือดร้อนต่างคนต่างดูแลตัวเองปฏิบัติตามธรรมตามวินัย วิก็น้ำไปสู่วิ่งกับวิเศษแล้ยาก็น้ำไปสู่ความวิเศษมีปฏิบัติถ้ามีความรู้ก็น้ำสู่ความไม่ดมก็น้ำไปสู่ความรู้แล้นความหลงก็น้ำไปสู่ความรู้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็น้ำไปสู่ความรู้เปิดความโกรธขึ้นมาก็น้ำไปสู่ความรู้ ว่าน้อมไปสู่ความวิเศษควถูกต้องอยู่ในกายในใจในรูปในนามนี่แ้าทุกคนใช่รูปใช้นาถูกต้องมันก็ถูกต้องไปหมดก็เห็นคนอื่นคิดถึงคนอื่นเดินมาได้ออกะเดินได้ ไม่เคยพูดเคยจ้กอาจจะพูดจา้าเอาก็แก้กได้เหมือนกับตาํตาราท่านว่าจารณีจารณานภาสีอาเลี้ยแมตต่ตายหูหลวกได้ยินเสียงคนใ่พูดได้กติดเดินได้หม้ยความว่าถ้าเกิดจิปัญญาขึ้นมาก็อยากบอกอยากสอน พิถึงพ่อถึงแม่พิถึงคนที่เราเคยทําบาปทํากรรมมันอ่อนน้อมถ่อมตนมันยอมมันเค็ดหลาบพิถึงพ่อถึงแม่เห็นผลคนผู้มีพระคุณเห็นโทษที่เราเคยทําไม่ดีเมื่อมันเห็นความชั่วที่เกิดกับตัวเองก็ขยันแจ้ไขเมื่อเห็นความชั่วจากตัวเองเห็นความชั่วจากคนอื่น ก็จะช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นไปเองไม่เพิกเฉยไว้ปล่อยกันทิ้งยิ่งพวกเรามาอยู่ที่นี่น่าจะช่วยกันให้มากดูแลกันให้ใกล้ชิดเห็นกันทุกวันก็ยังดีมาทำความดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะแดงออกแล้วก็มีกติอยู่ใกล้ๆกัน แต่หัวใจเราดวงเดียวกันยิ่งเราก็มีโอกาสได้บอกกันมีรลานทรมอันที่ลวงของการประกอบความเพียรสำหรับผู้ใหม่ก็น่าจะมีเพื่อนมีมิตรเดนจังมบัทีก็วมหมู่บ้าง อาจจะดีกว่าอยู่คนเดียวบางทีก็อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กหมูมันก็มีสภาพแบบนั้นเกิดขึ้นเจอตัวเราเวลาเราฝึกใหม่ๆบาที่เราฝึกอยู่คนเดียวอะไรก็เหมือนกับยุ่งยากเดินไปโน่นเห็นแนีนน้อยก็เดินจังๆๆๆอยู่เห็นแนีนน้อยนั่งทำความสร้างจังหวะอยู่เหเพื่อน กลังประกอบความเพียนอยู่คมมีกำลังใจเราก็เอาบ้างถ้าอยู่คนเดียวก็ความคิดลุมล้อมเข้ามาบางทีมันก็ยากขเขาก็เห็นไม่เห็นอะไรบางทีก็เห็นกันก็ถามกันบ้างในเรื่องปฏิบัติคถูกแต่น้อยถามใช่ไหมปฏิบัติเป็นโยม อ, อ้เจ้ารู้จักร่วมน้ำไปน่ยโอ้ยรู้ลเลยเนี่หน่อยวะโอ้ยเดนเฮ็ดอยู่เจ็ดแปมือก็รู้แล้วจับมือจับมือามือมาเคาจับมืออะไรนี่อันนี้อะไรเ น, นี่ถามไปถามไปอเอาพอแล้วเดนอ้าจะทาเองอาจะทำเอาเองก็ นี่กำลังจอยถึง เ, เด็กด้อยถึงแบบหย่าบเจ็บเอาแบบหย่าบาจอานนั่นหลงนี้หลงพ่อนั่นเนยน้อยนี่ๆบ้างไม่ขี้บ้า ง, างอยู่ด้วยกันก็นไม่ขี้แลก็เป็นเพื่อนกันดีช่วยเหลือทอมตะคดเดีวห้ถักตลกบานให้ วัวหาไหนกินเยบปอ ก, กมีแต่คนที่ช่วยเราอยู่ยังพอรออยู่ที่นี่ก็รอยคนที่ชิดเพื่อเราอยู่มีมีมากากหนกันชาวบ้านตอนนี้ก็อาจจะลุกขึ้นมาหูงข้าวเพื่อใส่บาทแล้วก็ไม่ประมาด ช่วยไม่ได้ดดปวดไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ ป, ดปดออุ้งแดงมาได้คนอื่นกับกราบไหว้เราเอาสร้างวัดสร้างกระตัวให้อยู่หรังนี้สองแสน ส, ส, สามแสนหนออย่างที่คนมาทำให้เราก็มาช่วยกันเถอะ เพราะผู้บวชไหยังไม่รู้อะไรก็พยายามให้มีผูน้นาที่เลี้ยงบ้างเห็นแต่หลงพกกู้กลมพอมีจะมีพระบวชใหม่มาเดินอยู่กับแถวปกติลงพกกู้กลมมีไม่ออกไม่อะไรเลเดินจะกลมอยู่ก็ย้อนเวลาเดินผ่านไปทาง น้าทำเห็นแต่โยมไม่ออกสองสามคนกับพระบวชใหม่กับญาติโยมหลวงพ่อกรมกันนั่งเพื่อนกันบ้างออกมาเดินบ้างถ้าอยู่คนเดียวมันเศาหมองง่วงนอนออกมาเดินยองกลมแต่นอกก็มาเดินอยู่แถวกะตีหลมโพกรมไม่โยมอยู่จนนั่น เพื่อนเป็นมีกันให้ดีในงานปฏิบัติมันกําลังใจคุยกันบ้างออกออกแกล้งลูกน้ําเปลี่ยงนั่นลูกเปลี่ยนนี้น้ําเปลี่ยงนี้อาการที่เกิดขึ้นกับลูกน้ําเป็นอย่างนั่นอย่างนี้บางทีก็ได้ความรู้จากเพื่อนที่คุยกันสนทนาธรรมกันว่างก็นสนทนาธรรมกันสำมาเฉาะกับเฉาะ พูดนะจะคิดเขาก็เราเราก็เขาไม่กัลงลใจช่วยกันเป็นเพื่อนกันให้เต็มที่เป็นมิตรกันเต็มที่แต่วยกกันเราลู้เขาเขารู้เราเราก็ไม่รู้เขาเขาก็ไม่รู้เร า, เราก็คิดยอมรับสติปัญญาของคน เขาลูกใช่นันถูกของเขาวันนี้พทธิยนพูดมีคนมาปฏิบัติมาพูดเรื่องเครื่องลางของของเอาอันนั่นมาอ้าอานี่มาอ้างหลวงพ่อเทียนก็ว่าเลยถูกของท่านถูกครับถูกมันถูกของท่านแต่ไม่ถูกของผม ในมิตก็เล่าให้ฟังผมเกิดนนมิตรอย่างนั่นนี่เจ๋งจริ ง, รงหรือถ้าเจ๋งก็ทัวสวรรค์นรกได้ไหมหเห็นนรกเป็นนั้นเห็นสวรรค์เป็นอย่างนี้หลวงพ่อเตีงก็บว่าถูกของท่านท่านเห็นอย่างนั้ น, นก็ถูกของท่าน <c oughs> แต่ไม่ไม่ถูกของผมผมก็เห็นรูปเห็นนามนี่ก็ไม่ทะลอะ สุดตนักกันเขาก็มาคม่มเราความรู้เขาเป็นนักกรรมฐานขมเราความรู้มาคม่มมาอวดเราพอก็ยอมรับมันถูกของท่านครับครับถูกของท่านถูกถูกเพเห็นท่านเห็นจริงจริงที่ท่านเห็นคนอื่นเดี๋ยวจะไม่เห็นถ้าจริงที่เห็นคนอื่นเห็นเห็นอันเดียวกันอันนั้นอาจจะเป็นสัจธรรม ก็เห็นเสวีนเป็นอย่างนั้นเห็นไฟอินสีเขียวเห็นไฟอินสีเขียวเขียวเห็นเทวดาสีตั้งแดงอันถูกของท่านแต่บางคนอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าไม่เห็นทั้งหมดก็ไม่ไม่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นสัจธรรมจะเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันหลวงพ่เทียนก็พูดอย่างนี้อ๋อกลล้มควันเทวดา uh... j u m up